เรื่องพระอนาคามีเทระพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระเทระผู้อนาคามีองค์หนึ่งความพิสดารว่าวันหนึ่งพวกสิทธามพระเทระนั้นว่าท่านขอรับการบรรลุธรรมพิเศษของท่านมีอยู่หรือเปล่าพระเทระละอายอยู่แม้พวกขา้ารสชการ ก็ยังบรรลุพระอนาคามีผลได้ต่อเมื่อบรุออรหัสนั่นแหละเราจะบอกแก่สัต ธ, ธิวิหาริกเหล่านั้นดังนี้แล้วไม่กล่าวอะไรทำกาละแล้วบังเกิดในเทวโลกชั้นสุทธาวาสคือเป็นชั้นสำหรับพระอนาคามีไปเกิดและปรินิพานที่นั่นไม่กลับมาอีกสัต ธ, ธิวิหาริกของพระเทระร้องไห้คร่ำครวญว่าอุปชาทำกาละเสียแล้ว ท่านไม่บอกอะไรเลยแม้ถามถึงการบรรลุธรรมวิเศษพระบรมศาสดาทรงตรัสว่าเธอทั้งหลายอย่าคิดเลยอุปช้ายะของพวกเธอบรรลุอนาคามิผลแล้วเธอละอายอยู่ว่าแม้เขาฤหัสก็บรรลุอนาคามิผลนั้นต่อเมื่อเราบรรลุ อ, าาล อ, อ ร, รอาหัดแล้วจึงจะบอกแก่พวกศิษย์ของเราบัด น, นี้อุปช้ายะของเธอเกิดในชั้นสุดท่าว่าแล้วจงวางใจเธอ อุปชยัยยะของพวกเธอถึงความเป็นผู้มีจิตไม่เกาะเกี่ยวในการมทั้งหลายมีกระแสในเบื้องบนดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาว่าภิกษุผู้มีชันธาเกิดแล้วในพระนิพพานอันใครๆบอกไม่ได้พึงเป็นผู้อันใจถูกต้องแล้วก็ดีผู้มีสติไม่เกาะเกี่ยวในการมทั้งหลายก็ดีท่านเรียกว่าเป็นผู้มีกระแสเบื้องบน ในการจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นตั้งอยู่แล้วในอรหัตผลเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนเป็นอันมากดังนี้แหละ